เรื่องพระอุปนันทะสากยบุตรท่านพระยศกากันดกะบุตรกล่าวต่อไปว่าท่านทั้งหลายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงปรารบท่านพระอุปนันทะสากยบุตร ส่งห้ามทองและเงินและทรงบัญญัติสิกขาบทในกรุงราชครุอัตมาผู้มีวาทะอย่างนี้กล่าวอาธรรมว่าเป็นอาธรรมกล่าวธรรมว่าเป็นธรรมกล่าวสิ่งมิใช่วิไยว่าเป็นสิ่งมิใช่วิไนกล่าววิไนว่าเป็นวิไนแต่กลับถูกกล่าวหาว่าด่าบริพาตอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ทำให้เขาหมดศรัทธาเมื่อท่านพระยศกากันดกบุตรกล่าวอย่างนี้พวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงเวสาลีได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านพระยศกากันดกบุตรรูปเดียวเท่านั้นที่เป็นพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรพวกท่านทั้งหมดนี้ไม่ใช่พระสมณะเชื้อสายสากยบุตร ขอท่านพระยศกากัรดกรบุตรจงอยู่กรุงเวสาลีพวกเราจะอุปถากท่านพระย ะ, ะกากัรดกรบุตรด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและขิลานปัจจัยเภสัชบริขารครั้นท่านพระยศกากักรฑกบุตรชี้แจงแก่พวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงเวสาลีให้เข้าใจดีแล้ว จึงเดินทางไปอารามพร้อมกับภิกษุอนุทูต